วันอาทิตย์ที่24สิงหาคมพศ2540การบรรยายปฏิสมัยสังยุตปฏิจะสรุปบาทสรุปนิทานวัตรโดยอาจารย์สุเทพผูที่สัทยาผมจะสรุปเกี่ยวกับทสูตรในสังยุตตนิกายนิทานวัต์ ที่เราได้อธิบายศึกษากันมาตั้งแต่สูตรที่หนึ่งจนถึงสูตรที่หนึ่งร้อยสี่ก็โดยประมาณก็นับว่าเป็นร้อยสูตรก็แล้วกันนะครับหลายท่านก็คงจะเกือบจะเรียงสูตรไม่สูกว่าสูตรไหนเป็นสูตรที่เท่าไหร่จึงได้ทำเป็นสารบันมาให้สุตตันตปิฎก สังยุตติกายนิทานวักท่านแบ่งเป็นทั้งหมดสิบวักย่อยอเฉพาะตอนนี้นะ่ะเรียกว่าอภิสมัยสังยุตที่กล่าวด้วยเรื่องของพระสูตรที่เกี่ยวกับความตัสรู้ของพระพุทธเจา้าแล้วก็ของพระสา ว, วกด้วยจากสิบวักนี้ก็โดยมากก็จะมีวักละสิบสูตร บางวัด ก, ก็มีสิบเอ็ดสูดสิบสองสูรจึงรวมเป็นหนึ่งรอยสี่สูในครั้งนี้จะให้ได้ดูสูตรโดยลำดับแล้วก็จะสรุปเนื้อความของสูตรสั้นๆก่อนคราวหน้าก็จะเก็บเนื้อความเป็นส่วนๆออกมาว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงเนื้อความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนั้น โดยรูปแบบอย่างไรบ้างแล้วก็โดยวัตถุประสงค์ในรูปอื่นๆโดยการเรียกชื่ออย่างไรบ้างก็จะสรุปมาก็ตั้งใจว่าจะอธิบายสรุปแบบใจเย็นๆคือไม่ตั้งใจจะให้จบภายในครั้งหรือสองครั้งนะครับเพื่อให้ได้ความชัดเจนแต่จะอธิบายส่วนสําคัญสาคัญของเรื่องนี้ให้อยู่ในที่เดียวกันไปสําหรับตัวพระสูตรเนี่ยหลายท่านก็อาจจะยัง ที่อยากเก็บไว้นะครับบางท่านก็อาจจะเรียงสูตรไม่ถูกก็เลยนึกว่าอนนี่ของผมนะผมเอามาเย็บเข้าเล่มเข้ากระดูกงูก็เรียบร้อยดีก็เลยนึกว่าผมจะตรวจแก้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้สม่ำเสมอแล้วก็จะเติมเนื้อความแทรกเข้าไปในบางส่วนที่จำเป็นแล้วก็จะให้ถ่ายเป็นเล่มแล้วแต่ใครจะสั่งจองจะให้คุณวิเชียนเขาเป็นคนจัดการให้นะฮะ คุณก็คงจะต้องวานคุณชดาพรสุเกียรติกุณนะท่านช่วยแก้ไขปรับให้ให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ทำไว้นะครับก็ตอนเลอกนี้ท่านจะจะสั่งจองไว้เลยก็ได้ผมก็ยังไม่รู้เลมหรือจะรอรอก็แล้วกันนะรอให้เรียบร้อยแล้วก็ดูถนนราคาว่าเล่มละเท่าไหร่ แต่รับรองว่าไม่บวกภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ิดราคาเท่าทุนเรามาทบทวนดูสูตรแรกท่านที่ฟังมาตลอดเนี่ยก็พอจะนึกเป็นคร่าวๆได้นะครับสูตรแรกของวรรคแรกวกรรคแรกนี่ท่านตั้งชื่อว่าพุทธวัรคเป็นวรรคที่หนึ่งที่ชื่อว่าพุทธวรรคเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา้าอย่างชัดเจนเลยนะครับ สูตรที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยก็เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สูตรที่สี่จนถึงสูตรที่สิบนั้นเกี่ยวกับการตัดสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงปราลพถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นเบื้องต้นแล้วก็ได้ตัสรู้ธรรมเพราะการพิจารณานาม ร, นรูปในรูปแบบของปฏิจจสมุปบาท ดูสูตรที่หนึ่งนะครับชื่อว่าเทศนาสูตรเทศนาสูตรนั้นไม่ได้หมายถึงวิธีการเทศนาแต่หมายถึงเป็นสูตรที่ทรงเริ่มเทศนาปฏิจจสูบทอย่างเป็นองค์หลักๆแสดงอย่างเป็นองค์หลักๆอย่างสั้นที่สุดเนี่ยครับท่านจึงเรียกว่าเทศนาสูตรคือ อ่าแล้วก็แปล ว, ว่าการแสดงธรรมนะครับแต่ว่าเนื้อหานั้นว่าด้วยการวางองค์สิบสองของปฏิจจสมุปบาทอาสูตรนี้ทรงแสดงที่พระเชตวันแก่ภิกษุทั้งหลายอ่าเนื้อความว่ายังไงที่ทรงแสดงก็ผมก็ว่าให้ฟังว่าท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทขอให้ฟังแล้วก็ทรงไล่ตั้งแต่อวิชชา ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารไปโดยลำดับจนถึงองค์สิบสองสิบสองก็คือว่าชาติเกิดเพรา ะ, ะเพราะชาติจึงมีจรามอนโสโการาริเทวะก็เกิดขึ้นแล้วก็แสดงสายดับแสดงสายเกิดและสายดับแต่ไม่มีอธิบายอะไรเลยครับไม่ไม่อธิบายเป็นการวางหลักแสดงโดยหลักสั้นๆ น, นี่เป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองชื่อว่าวิพังคสูตร วิพังกสูตรเนี่ยก็แปลว่าการจำแนกวิพังคาแปลว่าจำแนกจำแนกก็คือขยายความและในทีน่นี้เนื้อหาของสูตรนั้นเป็นการนิยามความของปฏิจจสมุปบาทสิบสององค์นิยามว่าชาลาคืออะไรมรณะคืออะไรการนิยามอย่างชัดเจนอย่างนี้ก็ทำให้ เมื่อเวลาเราจะอธิบายปฏิจจะเนี่ยเราก็รู้ว่าเมื่อจะอธิบายว่าชาติเป็นปจัจแก่หลังขานเนี่ยชาตินั้นคืออะไรเราจะไปตีความชาตินอกเรื่องท่านไม่ได้จะไปตีความชารามรณะนอกบทนิยามของพระพุทธเจ้าไม่ได้ผมก็จะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนิท่านนิยามทั้งสิบสององค์เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่า ชาลาและมรณะเป็นยังไงชาาท่านก็นิยามว่าได้แก่ความแก่ควาหลุดผมหงอกหนังเป็นเกลียวความงอมแพ่งอินทรีย์อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องความแก่ธรรมดาที่ท่านอธิบายนะฮะอธิบายจากภาวะข้างนอกเข้าไปแต่ว่าเวลาพิจารณาลงลึกเนี่ยเนื่องจากว่าภาวะข้างนอกเนี่ยมันมันแสดงถึงไอภาวะในทางลึก อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในบทบรรยายโดยละเอียดว่าชาลาข้างนอกเชยนว่าผมหงอกหนังเป็นเกลียวความชาลามันมีได้เพราะมันมีชาลาทางลึกชาลาทางลึกก็คือเมื่อนามรูปเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ไอตอนตั้งอยู่เนี่ยครับเป็นภาวะของความชาลาแล้วก็พังค้าก็คือความแตกทำลายของหยาบมาจากของละเอียด ภาวะหยาบมาจากภาวะละเอียดแต่คนเมื่อจะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องกําหนดภาวะหยาบก่อนเพราะอะไรเพราะว่าภาวะละเอียดนั้นเรายังไม่สามารถจะเห็นได้เราก็ต้องเริ่มต้นจากภาวะที่เห็นได้แล้วก็กําหนดเข้าไปถึงภาวะที่เห็นไม่ได้เหมือนว่าเราเห็นเห็นลักษณะคนเห็นคนเดินด้วยอาการอย่างไรอย่างไรเนี่ยเราเห็นภาวะอย่างนี้เราก็ อย่างลึกไปถึงภาวะข้างในภาวะละเอียดว่าจิตใจเขาเป็นอย่างไรแล้วอาการของจิตตชรูปในทางลึกของคนที่กําลังกลัดกลุ้งกําลังโกรธเดินอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะมองได้ตามข้อมูลที่เราพอมีที่เราได้ร่ำเรียนมาแต่นี้ถ้ากว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะจับสภาวะนั้นได้เลย คือว่ามันมีกระแสอะไรบางอย่างเนี่ยเชื่อมถึงกันจนทาให้เขาจับกระแสนั้นได้จากไอ้ภาวะข้างนอกและบางทีภาวะข้างนอกถึงผู้แสดงออกจะกรบเกลื่อนแต่คนที่จับลึกได้ก็สามารถที่จะจับภาวะลึกได้ว่าภาวะลึกเขาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการแสดงออกของเขาเนี่ยเป็นภาวะกรบเกลื่อนเท่านั้นคนปฏิบัติวิปัสนา โดวยวิธีนี้ก็ดูจากภาวะข้างนอกแล้วก็จับลึกเข้าไปถึงภาวะข้างในอันนี้คือชารามรณะก็หมายถึงความตายที่ท่านนิยามด้วยความตายชั้นนอกแล้วก็กาหนดลึกเข้าไปถึงความตายชั้นในคือ อ, อย่างเวลาความตายเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายชั้นเลยนะฮะเราเรายังไม่มีโอกาสจะพูดลําดับตรงนี้กัน ความตายเช่นตายธรรมดาเป็นภาวะหยาบแล้วก็ความตายอย่างเป็นเป็นกระบวนการของจิตแต่จะรูกของลูปเป็นส่วนๆก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็ความตายลงลึกไปถึงความตายโดยขณะที่เป็นอารมณ์ชั้นละเอียดที่สุดของวิปัสสนากรรมฐานแต่ต้องเริ่มจากการกำหนดจับความตายชั้นอยางเป็นเบื้องต้น อันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างที่ขระสูตรนี้นิยามความผมอ้างให้พอเป็นนิทัตุธาหร น, นี่แหละครับชื่อว่าวิพังค้าพูดคือสูตรที่กล่าวนิอธิบายนิยามองค์ทั้งสิบสององค์พระพุทธเจ้าแสดงสูตรนี้ที่เชตวันแก่พิสูจน์ทั้งหลายเช่นเดียวกันสูตรที่ชื่อว่าปฏิปทา ปฏิปทานี่แปลว่าการปฏิบัติหรือข้อปฏิบัตินี้ในแง่ของการปฏิบัติอย่างกว้างๆตีค่าในเชิงปฏิบัติก็ได้ความว่าปฏิปทาคือโดยการปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างมิตรปฏิจจสมุปบาทที่เป็นมิจฉาปฏิปทาอันหนึ่ง กับปฏิจจสมุปบาทที่เป็นสัมมาปฏิปทาอีกอย่างหนึง่งสำหรับมิจฉาปฏิปทาเนี่ยเราทําของเราอยู่แล้วคือการที่เราปล่อยให้อวิชามทางานปล่อยให้สังขารเกิดเพราะอาวิชาแล้วก็ปล่อยให้อะไรๆเกิดตามลําดับโดยปกติคือ กระบวนการของกลุ่มรูปกลุ่มนามของเราเนี่ยครับมันคือก้อนของอวิของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือตัวเราเนี่ยที่เป็นไปโดยธรรมดาเป็นมิจฉาปฏิปทาทำไมถึงว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเพราะว่าการที่เราปล่อยชีวิตให้ปฏิจจสมุปบาททำงานไปโดยปกติอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการปล่อยให้ ชีวิตอยู่ในวัตถุเป็นวัตถุเป็นทุกข์ในสังสารวัฏพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นและทรงค้นพบว่ากลไกของชีวิตวงจรของชีวิตที่ไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เพราะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ท่านก็มาค้นพบว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ให้วงจรชีวิตตัวนี้มันขาดก็ทรงรู้ว่าจะต้อง ทำให้มันดับมันดับและทำอย่างไรมันถึงจะดับก็คือทำอย่างเป็นวิปัสสนากรรมฐานทำให้ปฏิจจสมุปบาทนั้นดับอย่างเช่นอวิชชาดับทำอย่างไรจึงดับมันก็มีหลายชั้นเนี่ยที่เคยพูดแล้วนะครับว่าการที่เราเราปล่อยให้อวิชชาหยาบเกิดขึ้น เกิดครัวอยู่ในบาปอกุศลหยาบๆเนี่ยปฏิจจะอย่างหยาบเกิดขึ้นพุกอย่างหยาบเกิดขึ้นเวลาเราตายแล้วต้องไปอบาบัยยภูมิใปอิตะไรอย่างนี้นะทีนี้ถ้าหากว่าพอเรามาสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นสร้างปัญญาเกิดขึ้นในระดับหนึ่งจากการศึกษาเล่าเรียนก็ดีหรือจากการให้ทานก็ดีอาวิชาหยาบ บางระดับหายไปแต่อวิชัยที่ละเอียดยังเหลือก็ทําให้อิความทุกข์ในสงสารเนี่ยมันเกิดการผ่อนเปล่าดูไหมแทนที่เราจะไปอบอายภูมิแทนที่เราจะมีความทุกข์ทั่วทั้งชีวิตทั้งชีวิตในในภาคอบอายภูมินั้นหรือว่ามีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่ในชีวิตของความเป็นมนุษย์ก็ดีเนี่ยมันเปล่าไปเพราะฉะนั้นกุศล การประพติกุศลในความจริงก็คือการละอวิชาแล้วก็ทำให้ปฏิจจาในสายในเกณฑ์ที่พอพอทนได้พอไหวเนี่ยถึงจะไม่ถอนตนจากสังสรวัตแต่ว่าทำให้สังสารวัตรดีขึ้นอางนี้แล้วกันนะทีนี้พอไปถึงขั้นที่จะทำให้พ้นจากสังสารวัตรเนี่ยมันต้องดับอวิชาด้วยกุศลชั้นสูงคือชั้นของการปฏิบัติพระกรรมฐาน อวิชาบางอย่างก็หลุดหายไปเราก็จึงไม่ต้องเถียงกันว่าเราพูดถึงความรู้ความรู้พูดถึงปัญญาปัญญาเนี่ยแต่พร้อมกันนั้นเราก็มันก็เหมือนเรามีความโง่อยู่ในตัวเรามองใครก็ได้นะบางทีก็เหมือนฉลาดแต่ก็เหมือนโง่ทําไมพอไปถึงตรงนี้ทําไมโง่อะไรอย่างนี้นะบางคนเรียนอะไรก็เก่งหมดจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตจิตใ จ, จแล้วโง่ไม่ไม่ฉลาดเรื่องพวกนี้เลยก็มี บางคนเนี่เรียนรู้หลักการดีแต่ว่าโง่ในเรื่องการวางตัววางตัวเลวแหลกไม่ดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็มีอย่างนงี้นะบางคนก็อาจจะฉลาดในเรื่องอะไรเข้าใจได้หมดแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของโอปปปฏิกาในหลักสัมมาทิฏฐิเอ๊ะไม่ไม่เชื่อไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยเข้าใจไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้เราพูดถึงว่า ไอนามรูปในตัวเราเนี่ยนะการทําใจการวางใจการอย่างเห็นตัวเราในทางการปฏิบัติมันก็เป็นความฉเฉลียวฉลาดอันหนึง่งที่เกิดขึ้นจากปัญญาระดับนั้นแล้วก็ละอวิชาระดับนั้นไอบางคนก็าก็เห็นเลยเห็นเลยโง่งไปเลยก็มีอย่างเช่นว่า อ, อนามรูปของเราไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจไม่น่า ติดไม่น่ารักใครอะไรเงี้ยมันก็ดูแลเหมือนเป็นคนงโง่เราเห็นคนที่เขาอยู่กับทำรรอย่างเหนียวแน่นเนี่ยนะผมก็ยังมองดูแล้วเรามันนึกถึงตัวเราเองนึกถึงอะไรอะไรในซีโลกโลกเนี่ยอย่างที่ว่าเราไปเห็นเห็นฝรั่งอย่างที่ไปปฏิบัติธรรมเห็นฝรั่งที่เขาที่มาเป็นอาจารย์ ผู้ช่วยแล้วก็อยู่ปฏิบัติมา20กว่าปีแล้วก็ถือศีล8เป็นปกติอยู่20วันเวลาเราไปปฏิบัติไม่เห็นเขามาเดินเพ่นพ่านไม่เห็นเขาจะต้องไปเที่ยวไหนนะถึงคราวลงมาเขาลงมาถึงคราวไม่มีหน้าที่เขาเก็บเงียบอยูนะ่ตั้ง20กว่าวันเขาอยู่ได้ยังไงมันน่าเบื่อไหมแบบนี้ เราคิดอย่างความคิดเรานะน่าเบื่อไ้มเป็นชีวิตที่ฉลาดหรือเป็นชีวิตที่โ ง, งเ่เขาอันนี้เรามองแล้วก็แอบจินตนาการคิดไม่ทราบเข้าใจที่ผมพูดไหมทึกภาพออกไหมอยู่ยังเหมือนแห้งๆ แ, แรงๆวิทยุก็ไม่ได้ฟังทีวีก็ไม่มีดูเออถ้าเก็บตั ว, ตวเงียบแล้วก็มีวิดีโอเปิดดูก็ ย, ยิ่ง่ ไม่ไม่มีอะไรเลยแล้วจะอยู่ได้อย่างไรแต่พอเห็นหน้าเขาหน้าเขาก็อิ่มเออมีความสุขสงบเย็นทีเรามาคิดแทนใจคนอื่นว่าถ้าคนอื่นนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วลูกเต้าเขาต้องมาเป็นอย่างนี้นะญาติก็ต้องมาเป็นอย่างนี้ญาติเขาที่เคยเอทําคลินิกเคยทํานู่นแล้วต้องมาไม่อยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรมีแต่ให้ มันน่าผิดหวังหละน่าสมหวังเราก็เข้าใจไม่ได้นี่พูดถึงความรู้สึกของคนทั่วๆไปใช่ไหมเข้าใจไม่ได้แต่ว่ า, าคนที่เขาเป็นอย่างเนี้ยเขาเข้าใจตัวเขาเขาเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจเขาว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันสมบัติเฉพาะตัวคนไปอยู่ที่ไหนโดยไม่ต้องมีอะไรและในหัวใจตัวเองเนี้ยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ความรู้สึกที่สว่างสวยสงบสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรเราคิดว่าเป็นชีวิตที่ที่ประเสริฐไหมและไ้คนที่ไม่เข้าใจคิดต่อคนพวกนี้เป็นคนทวงความเจริญไม่ได้สร้างผลผลิตไม่ได้ช่วยอะไรใครเนี่แล้วก็คิดไปจริงเราก็ตอบได้หมดแหละแต่ว่าคำตอบบางอย่างเนี่ยเขาไม่อาจให้เข้าใจได้ใน ท, ทันทีนะว่าเออ คนอย่างนี้ไม่ได้ยอมทําอะไรเลยผักตะต้นก็ไม่ได้ปลูกแค่อยู่ใบอยู่ไปอย่างนี้ยมันมีประโยชน์อะเอาลองคิดตอบตอบเขาเองนะว่าเราจะคิดตรงกันหรือเปล่าหารู้ไหมว่าคนผู้เนีพ้พลังสูงและเขาไม่มีเนี่ยแปลว่าเขาให้ความมีของเขาเนี่ยไปอยู่ที่คนอื่นหมดหรืออยากจะให้เขามีแบบแบบ แบบคนเล่นการเมืองแบบโกลกๆเลยให้เขาสอนให้มีสอนไปก็เก็บเงินไปสะสมเงินไปอย่างนั้นเราจะชอบเราก็ไม่ชอบอีกแหละนี่ก็คือสิ่งที่เขาให้สังคมให้ชีวิตให้อะไรอะไรที่มันเป็นเริงมองไม่เห็นเนี่ยมันสําคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นเหมือนพระทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วให้สังคมอย่างนี้อ่าอันนี้ก็ เป็นเรื่องสัมมาปฏิปทาการดับสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้รับทราบว่าเราเองเนี่ยกําลังทำในสัสดส่วนของมิจฉาปฏิปทากับสัมมาปฏิปทาอยู่ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันนะกุศลธรรมกับอกุศลธรรมคือเพื่อปฏิจจสมุปบาทในบางส่วนเราเราก็พอทําได้ในบางระดับหนึ่ง ที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันก็ทําให้ปฏิจจะในเส้นนั้นวงนั้นได้ทํางานแล้วก็ได้ให้ผลที่เป็นผลที่น่าชอบใจกับเราระดับหนึ่งถึงว่าบางทีจะไม่ทําให้เราพ้นจากสงสารแต่บางทีก็เป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยให้ปฏิจจะในอีกระดับหนึ่งที่ทําให้เราพ้นสงสารได้อคือถ้าพูดโยงไปถึงปฏิบัติเนี่ก็บอกว่าเ อ, อ ปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏในส่วนที่เป็นอาธิพรหมจรรย์ก็เป็นปัจจัยให้กับปฏิจจสมุปบาทที่เป็นตัวพรหมจรรย์ได้ยานที่หนึ่งปฏิจจสมุปบาทอย่างยานที่หนึ่งก็ทํางานแล้วก็ให้ผลในทางวราอวิชาระดับนั้นได้สังขารระดับนั้นก็ถูกละไปด้วย อวิชาบางระดับก็ยังคงอยู่สังขารบางระดับก็ยังคงอยู่แล้วจนกระทั่งเลื่อยไปถึงภพชาติบางระดับก็ยังคงอยู่เมื่อปฏิจจานั้นให้ผลรอบๆของมันเลยเป็นอันสรุปได้ว่าเราเป็นผู้อยู่ในปฏิปทาสองเพียงแต่ว่าสัดส่วนของมิจฉาปฏิปทานั้นยังมาก ยังยืนพื้นอยู่สำหรับสูตรสี่ถึงสูตรเก้าเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมาครับท่านไล่ตั้งแต่พระพุทธวิปัสสีพระสิขีพระเวสภูพระกะกูสันทะาโกนาคมณ น, นะแล้วก็พระกัตสปะจนถึงพระผู้มีพระภาคองค์ปัจจุบันของเราท่านที่เป็นพระ พุทธเจ้าเหล่านี้วันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอที่ท่านเล่าไว้ในสูตรนี้ผมผมจะขออ่านเนื้อความสักนิดหนึ่งให้ฟังที่ท่านตรัสว่าเมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิทตกดังนี้ว่าโลกนี้ถึงความยากแล้วหนอย่อมเกิด แก่ตายจุติอุบัติและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่รู้ทำอันออกจากทุกข์คือชลาและมรณะนี้เมื่อไรเล่าความออกจากทุกข์คือชรลาและมรณะนี้จึงปรากฏ ต, ตรงนี้เนี่ยพระพุทธในคืนดััสรูเนี่ยพระพุทธเจ้าเข้าฌานก่อนฌันหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เข้าอภิญญา ส อ, สองอภิญยามาจนถึงปัจฉิมยามตอนต้นก็ทรงพิจารณาพิจารณาด้วยอานาจของมหากรุณามหากรุณานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เก่าแก่แล้วว่าจะทรงปรารถนาเป็นอะไรเพราะอะไรเพื่ออะไรก็คื อ, อสงสารสัตว์ที่ตกอยู่ในสังสารทุกข์ไม่ใช่ทุกข์อื่นสิ่งเหล่านี้ได้ อยู่ในดวงพระไทยของพระโพธิสัตว์ตลอดมาเป็นแรงจูงใจให้ทรงสร้างบารมีเหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกแล้วก็หวังจะเกื้อกูลูกก็ทนเหน็ดทนเหนื่อยมีกำลังใจที่จะทำอะไรอะไรหลายอย่างได้เพื่อลูกเนี่ยเทียบเหมือนอย่างนี้ก็ตัวนี้ถือเป็นตัวแรงจูงใจที่ทำให้ทรงสร้างบารมี มาโดยลำดับกระทั่งเป็นแรงจูงใจก่อนที่จะตรัสรู้มาปรากฏอีกเอาทุกเนี่ยมาเป็นแรงจูงใจแล้วก็ข้อทุกขที่ทรงปราลบึ้นตอนนี้เป็นทุกขที่เป็นภัยของโลกนะเป็นภัยใหญ่ที่ทุกคนเข้าใจเกิดคือแก่ตายแก่และตายเป็นภัยใหญ่ก็ทรงคิดว่าทําไมคนถึงจะพ้นจะไม่ต้องมาตาย ขนาดพูดถึงความตายเนี่เรายังรู้สึกไม่เห็นไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรนักนาตายก็เกิดใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับคนที่เห็นอะไรลึกๆเนี่ยบุญเออยังค้นปฏิบัติทำเนี่ยเวลาลึกระ ล, ล, ลึกถึงความตายเนยี่ยรู้สึกไม่ใช่ธรรมดาเป็นของไม่ใช่น่ากลัวธรรมดานะเห็นความซ้ํำซากเห็นความจะต้องตายเห็นเอ่อความจะต้องตายในชาตินี้อันในอีกไม่นาน แล้วก็ต้องมาตายอีกอะไรเงี้ยมันก็เกิดความรู้สึกที่ที่รุนแรงจับจิตเจ็บปวดจับใจมากกว่าความคิดธรรมดาที่เกี่ยวกับการพัดเปล่าปกติพระโพธิสัตว์น ะ, ะก็คิดด้วยความรู้สึกอันลึกซึ้งตรงนี้แล้วก็นึกถึงผู้อื่นจะสังเกตว่าท่านไม่ได้นึกถึงตัวเองแต่ว่ามันก็อันเดียวกันนะแต่ที่ลืมนึกเนี่ยเพราะว่าท่านเองจะพ้นจากความ ตายเมื่อไหร่ก็ก็ได้มานานแล้วนะมันก็ไม่เป็นแรงจูงใจแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันถ้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันคนที่ปลารบผู้อื่นก็คือปลารบตัวเองคนที่อนุเคราะห์ผู้อื่นก็คืออนุเคราะห์ตัวเองคนอนุหวังอนุเคราะห์ตัวเองก็คือหวังต้องหวังก็คือผู้ที่หวังอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นเรื่องเดียวกันไม่แยกกันถ้าหากว่าเครื่องอนุเคราะห์นั้นเป็นของจริงไม่ใช่ไม่แยกจากกัน ก็ทรงพิจารณาแล้วตอนนี้แหละครับที่ได้เคยบอกว่าเป็นจินตายานวิปัสน า, าผู้เจ้าได้มาเพราะจินตายานไม่ได้มีใครบอกก็ทรง ค, อคอ่อยๆสืบหาเหตุผลว่าเพราะอะไรก็ค่อยๆผุดขึ้นมาโดยลําดับเพราะอะไรอทัาย้อนองค์เพราะชาติคือการเกิดอนนี้ก็เป็นอย่างธรรมดานะฮะเพราะต้องเกิดนั่นเอง ค่อยๆไล่เลียงตามระดับอย่างนี้คือในอารมณ์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้อย่างหนึ่งนะฮะว่าเมื่อปฏิบัติและจับอะไรได้สักอย่างหนึ่งเราบอกเราตั้งปัญหาขึ้นมาเพราะอะไรจะตั้งจริงจังหรือจะแค่สังเกตเห็นเนี่ยบางครั้งแค่ทาความรู้สึกโยนิโสนึกขึ้นมานิดเดียวเองมันค่อยๆพุดขึ้นมาเลยเพราะอะไรในเรื่องต่างๆเนี่ยนะ หรือแม้แต่เรื่องของธรรมะเองที่เราทําเวลาทําแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมรนะทิการนั่นเพราะอะไรมันจะผุดขึ้นมาเลยแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรต่อไปอีมันผุดขึ้นมาแล้ว แ, แม้แต่เรื่องนอกปฏิบัติการปลารลดถึงเรื่องนอกปฏิบัติหยอดอะไรเข้าไปเนี่ยมันเหมือนคอมพิวเตอร์มันผุดขึ้นมาบอกเลยเพราะอย่างนี้อย่างนี้การปฏิบัติถึ ง, งทําให้เกิดปัญญาอย่างเนี้ยทุกเรื่องมันผุดขึ้นมา อย่างน่าสัจจ์แม้แต่เมื่อความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมาพับเนี้ยเราไม่ต้องการให้มันผุดน้องเป็นความรู้สึกที่สมมติไม่ดีหรือดีกันแล้วแต่แล้วเราก็มารีการว่าเพราะอะไรมาจากไหนมันก็ได้เห็นเหตุปัจจัยเห็นมันก็โผล่ปัจจัยใหญ่มาก่อนแล้วก็ถามว่ามันมีเหตุปัจจัยเดียวหรือหลายเหตุปัจจัยมันก็จะค่อยๆพูดออกมาแล้วมันก็จะสืบเนื่องไปถึงเหตุปัจจัยโดยลําดับโดยลําดับ อข้อนี้เป็นธรรมดาของธรรมะของการปฏิบัติธรรมะก็ยกตัวอย่างเทียบในระดับอย่างเราๆถ้าเป็นอย่างระดับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมะท่านก็ค้นพบด้วยอาการดังดังกล่าวมาปฏิจจคุณค่อยๆพุดขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีอาการแห่งการค้นพบธรรม เหมือนกันหมดท่านจึงได้เล่าไว้ในสูตรตั้งแต่สี่ถึงสิบเนี่ยครับเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเมื่อท่านเล่าให้พระพิพุธทั้งหลายฟังที่พระเชตวันในครั้งนี้ก็จึงได้เล่าว่าแม้พระพุทธวิปัสสีก็อย่างนี้พระเสกขีก็อย่างนี้พระเวสสพูอย่างนี้พระกรัคูสันท่อย่างนี้พระโกนาคามนะต่างอย่างนี้ อากาศสบายอย่างนี้แม่พระมหาศากระยมุนีโคตมะก็ค้นพบโดยอาการอย่างนี้ไม่ต่างกันนี่เป็นวักที่หนึ่งวักที่สองเรื่องอาหารละวักชื่อว่าอาหารละวักแปลว่าวักที่มีอาหารและสูตรเป็นสูตรแรกมีสิบสูตรเหมือนกันครับสูตรแรกชื่อว่าอ า, าละสูตร อ า, ารสูตรในที่นี้หมายถึงอาหารสี่กะวะลิงกาลอาหารปัสสาอาหาราวิญญาณอาหารมโนสัญญเจตนาหาะนั่นแหละเนื้อความของสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงยกอาหารสี่ขึ้นมาแล้วก็แสดงว่ามีปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเหตุอาหารสีมีปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเหตุ แสดงที่เชตวันแก่พิสูจทั้งหลายเช่นเดียวกันรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจาที่แสดงข้าเกี่ยวไปถึงธรรมะข้ออื่นต่างๆกันนั้นจะทำแผนภูมิให้ในภาคบทสรุปเนื้อหาที่หลังสูตรที่สองของวักสองชื่อพักคุณสูตรอะคุณสูตรเป็นการเอาชื่อของพระ พัคุณะมาเป็นชื่อสูตรก็คือพระสูตรที่แสดงแก่พระพักคุณะนั่นเองครับเนื้อความของสูตรนี้อย่างเดียวกันกับสูตรเมื่อสักครู่นี้ครับจะแสดงเรื่องอาหารแล้วก็โยงไปถึงปฏิจจสมุปบาทก็เพียงแต่ว่ามีบุคคลที่มาฟังธรรมะสูตรนี้แตกต่างกันเท่านั้นเองครับ ถัดจากพักุณะสูตรไปก็สมณะรามณสูตรที่หนึ่งและสมณะรามณสูตรที่สองครับสองสูตรนี้เนื้อความเป็นอันเดียวกันที่กล่าวถึงว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะรามนั้นจะต้องเป็นผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยรูปของอริยสัจสีอย่างว่าอาวิชชาการกำหนดรู้อวิชชาเป็นทุกข์ถือว่าเป็นทุกข์อวิชชาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป กำหนดรู้อวิชาาโดยความเป็นอนในจังทุกขังอนาตตาแล้วก็กำหนดรู้ความดับอวิชชาเหตุเกิดอวิชชามรรควิธีที่จะทําให้ถึงความดับอวิชชาสี่อย่างเนี่ยเป็นรูปของปฏิป เ, เป็นรูปของอริยสรรัจสีแต่ละองค์แต่ละองค์อริยสัจสีก็ซ้อนเข้าไปตูดถัดไปกัจจานะโคตสูตรกัจานะโคตสูตรเนี่ยเป็นสูตร ที่แสดงแก่พระมหากัจจายนะสำหรับเนื้อหาของสูตรนี้เป็นการกล่าวถึงทิฏฐิสองอย่างคืออุดเฉทะกับสัสตะและที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทก็หมายความว่าบุคคลที่ ไม่เห็นปฏิจจสมุบาทเลยเป็นสัตสตาทิฏฐิเพราะเหมือนชีวิตนี้เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอันเดียวกันบุคคลที่เห็นเป็นอื่นจากกันเห็นเป็นอื่นจากกันคือหมายไม่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นว่าชาติที่แล้วเนี่ยเรามีวิชามีสังขารชาตินี้เราจึงมีชีวิตมีวิญญาณใหม่ ถ้าไม่เห็นอย่างนี้ก็เป็นอุดเฉททิติคือไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องชานินชาติน้านี่ก็เกี่ยวข้องกับวิชาด้วยไอ้เกี่ยวข้องกับปฏิจจารด้วยต่อไปธรรมิกาธิกาสูตรเรื่องผู้แสดงธรรมในทีน่นี้ท่านกล่าวว่าผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นธรรมกระถึกก็เพราะว่าแสดงปฏิจจารสมุปบาท ในรูปของอริยสัจผู้ใดที่แสดงปฏิจจสมุปบาทว่าอาวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาความดับของอวิชชาปฏิปทาถึงความดับของอวิชชาได้เนี่ยชื่อว่าเป็นธรรมกะถึกก็เห็นจะต้องแบ่งว่าธรรมกะถึกนั้นมีธรรมกถึกในขั้นปริยัติกับขั้นปฏิบัติในที่นี้ท่าน กล่าวหมายเอาว่าผู้แสดงเองก็ถึงธรรมที่แสดงแล้วก็แสดงธรรมนั้นให้ผู้อื่นถึงธรรมที่แสดงนั้นด้วยเป็นการแสดงโดยในของการปฏิบัติธรรมกะถึกภาคปฏิบัติหรือธรรมกะถึกที่แสดงในรูปของการปฏิบัติแ้่คนจะแสดงในรูป ก, การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้บรรลุผลของการปฏิบัติ ธรรมบริกพวกหนึ่งเป็นธรรมบัึริกในภาคปริยัตยิเมื่อแสดงก็แสดงได้ในส่วนของภาคปริยัตยิแต่ว่าผู้ฟังอาจจะได้ประโยชน์ในขั้นปฏิบัติก็ได้แต่ก็คงจะต้องว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปได้น้อยกว่าผู้ที่ปฏิบัติถึงสูตรถัดไปอะเจละกัสปะสูตร เจระในแปลว่าไม่มีเสื้อผ้าคือชีเปลือยเจระแปลว่าผ้ากัสปาเป็นชื่อของชีเปลือยคนนี้อเจระกัสปานั้นมีความเห็นผิดหรือมีความที่จริงอาจจะมีความไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ว่าความทุกข์ได้เกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ ก็คือเวลาที่เราปลาลบวัตทุกเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยมุกว่าทุอันหนึ่งปรากฏขึ้นเชื่อไม่ว่าเราเนี่ยจะโทษเหตุต่างๆกันถึงบางทีเราจะรู้ว่าไอเหตุทุกเนี่ยมันหลายอย่างเช่นมีเวทมีกา ร, รมม ร, ร, ม อ, ะรอะไรเนี่ยแต่เวลากิเลสมันเกิดเนี่ยมันจะไปโทษเหตุอย่างที่มันถนัดจะโทษถูกไหมอพอพระท่านมาสแสดง กรรมแสดงอะไรแต่ออไรทั้งปัจจุบันทั้งอดีตเห็นเนี่ยเราเกิดกุศลละจิตขึ้นเราก็จับเหตุถูกมอ้อเป็นอย่างนีเ้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาชีวิตเวลาไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นเหตุของทุกข์เนี่ยมันถึงปล่อยวางนะถึงปล่อยวางวาเพเห็นใ้เห็นด้วยตัวเองไม่ใช่พระมาพูดให้ฟังแบบเราก็อาจจะไม่รู้สึกรู้สารอะไร มากมายนะแต่พอไปเห็นเองเนี่ยมันปล่อยวางอ๋อเพราะอย่างนี้เองและความคิดที่จะไปโทษนั่นโทษนี่มันก็จะเผาเบาบางลงไปแล้วก็ถึงที่สุดเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยรักสงสารคนหรือเหตุการณ์ที่ทําให้เราเกิดทุกข์ด้วยก็ได้แล้วมันมันกจะเป็นงันธรรมะนะสงสารครับแล้วก็แล้วบางทแีแม้แต่ความคิดที่จะขุนใจก็ไม่มี ไม่มีโดยไม่ต้องฝืนไม่มีโดยไม่ต้องฝืนเพราะว่าในขณะที่มันเห็นเนี่ยมันหนึ่งมันรู้เหตุเหตุมันก็มันก็เกิดจากเราไอเหตุที่แท้หเหตุกรรมเนี่ยเกิดจากเราแล้วก็รู้ต่อไปว่าถ้าเราจะพ้นจากทุกอันนี้เราเองเอาความรู้สึกที่โทษเหตุผิดแบบกิเลสเข้าสู่เราก็ไม่พ้นจากทุก ก็เลยกลายเป็นข้อหักห้ามทั้งสองอย่างเข้ามาประกอบกันเลยทำให้เรานะีอยู่เหนือความรู้สึกอยู่เหนือวัตถุที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างดีขึ้นต่อให้คนเตรียมจะไปฆ่าเขาตายถ้าลองมาเห็นอย่างนี้แล้วก็ยับยังย้งชั่งใจได้มั้มันก็เคยมีตัวอย่างมาแล้ว ทีนี้ไอเวลาเห็นอย่างนี้เนี่ยมันข้อสำคัญคนจะเห็นได้ก็คือจิตต้องเป็นกุศลอยู่แล้วใช่ไหมเพราะจิตเป็นกุศลเห็นอยู่ด้วยกุศลนี่มันปล่อยแต่ถ้าเราเห็นด้วยอกุศลเนี่ยมันไม่ปล่อยพอมันไม่ปล่อยเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นมันก็ยิ่ง อ, อย่างงู้นอย่างนี้ไอคำว่านึกถึงแต่ตัวเอง ที่เวลาเราพูดปลาลบถึงคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเราก็จะพูดในทางในทางลบนะซึ่งมันก็ออกมาเนรูปของการลบหญคนห็นแก่ตัวเองเพราะว่าปลาลบตนด้วยอกุศลละจิตนะมันแน่นอนแต่ว่าพระพุทธเจ้าใช้วิธีการแก้ความเหเงื่อตัวก็ให้ปลาลบถึงตัวเองนึกถึงแต่ตัวลองคิดดูคนปฏิบัติวิปัสนานื่ถึงใครใครก็ไม่เอาเลยเอาแต่ตัวใช่ไหม นึกถึงผิดอีกอะปลาลบแต่ตัวเองจะเดินก็ต้องปลาลบนั่งก็ปลาลบอะไรอะไรก็ปลาลบถึงแต่ตัวเองแต่การปลาลบถึงตัวเองอย่างนี้กลับเห็นแก่ตัวน้อยลงเวลาที่เราจะเข้าใจคนอื่นดีก็ต้องมาเข้าใจตัวเองมาปลาลบตัวเองอ เ, ออเรอเขารักตัวเองก็ต้องรักตัวเองในเรื่งองเกี่างนี้แล้วมันลดความเห็นแก่ตัวหรือนึกว่าเอ อ, อเรา อได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมจากกิเลสอะไรของเรานะแต่ถ้าเรานึกบนพื้นฐานความเชื่อมันก็ทําให้เราอ่อนอ่อนความรู้สึกที่รุนแรงลงถ้าลองตั้งความรู้สึกใหม่มันก็จะคิดถึงตัวเองอีกแบบหนึง่งผลก็คือเพิ่มความเห็นแก่ตัวอทีนี้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ละ เหตุให้เกิดทุกข์เปลี่ยนย่อยนะมันเยอะนอกศาสนาเขาอธิบายต่างๆก็ถูกก็มีแต่บางทีไม่ถึงแก่นแท้แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์อย่างลึกๆเขาก็มีแต่ก็ไม่ถูกเช่นว่าเหตุให้เกิดทุกข์เกิดจากพระเจ้าบันดาลเนี้ยมันลึกจนกระทั่งใครมองไม่ออกมองไม่เห็นแต่ผิดพอมาถึงพระพุทธเจ้าถ้าทันแสดงอย่างอริยสัตติเขาบอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แสดงอย่างใกล้ๆหน่อยก็กรรมเนเหตุให้เกิดทุกข์และแสดงอย่างรูปปฏิจจากอเบอกว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงเวลามั้ผัสสะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีผัสสะแล้วความทุกข์ไม่มีนี่เป็นเหตุใกลๆ้ๆเหตุในเชิงปฏิบัติในรูปปฏิจจคสมุปบาทสูตรนี้จึงแสดงว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็แสดงคืบไปถึงปฏิจจคองค์อื่นโดยลําดับต่อไป สูตรที่แปดติมพรุกขะสูตรติมพรุกขะเป็นชื่อของปริภาชกคนหนึ่งเนื้อหาที่แสดงนั้นเป็นอย่างเดียวกันกันกบสูตรก่อนหน้านี้คืออเจละอะเจลกัสปะสูตรนี่แหละครับต่างกันที่คนฟังเท่านั้นเองมาถึงสูตรที่เก้า สูตรที่เก่าวัวสองเนี่ยครับาละบัณฑิตสูตรก็ก็แปลว่าแสดงเรื่องอเหตุที่ทำให้เป็นพานและบัณฑิตคำตอบก็ปรากฏในเนื้อหานี้ว่าใครที่สร้างสมปฏิจจสมุปาทสายเกิดชื่อว่าเป็น่านพูดว่าเราปล่อยให้วิชามันเกิด ลอยให้สังขารเกิดละวิชานั้นเป็นผานผู้ใดที่ละอวิชาระสังขารก็คือดับปฏิจจสมุปาทสายเกิดผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตเราก็ต้องนับว่าเป็นทั้งผานและบัณฑิตแล้วแต่เมื่อใดอยังง่ายๆว่าเกิดอกุศลขึ้นอวิชาสายก่อเกิด เมื่อใดเกิดกุศลขึ้นอวิชาสายดับในระดับนั้นๆเกิดเมื่อนั้นก็เป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตโดยสภาวะสูตรที่สิบชื่อว่าปัจยสูตรปัจยสูตรแปล ว, ว่าเรื่องปัจใจนี่แหละครับแต่ว่าเนื้อหานั้นเป็นการแสดงธทม ที่ท่านเรียกชื่อปฏิจจสมุปบาทว่าเราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทธรรมกับปฏิจจสมุปปนธรรมสองอย่างคือแสดงปฏิจจในเชิงปฏิบัติท่านในาประสูตรนั่นก็จะกล่าวว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นจ้ไหนก็แสดงว่าชรามรณะเกิดจากอะไรเกิดจากชาติชาติเกิดจากอะไรแสดงในรูปในรูปของเหตุ แสดงในรูปของเหตุเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในรูปของผลก็คือว่าชาติไม่เที่ยงเป็นอนิจจทุกขังหน้าตาแสดงปฏิจจในรูปของผลอันนี้ก็ในเรื่องของการปฏิบัติก็คือดูสภาพของนามรูปในฐานะที่เป็นชาติในฐานะที่เป็นผัสสะนี่นะว่าเป็นอย่างไรนี่คือกําหนดผลแล้วก็ดูว่าผัสสะเกิดจากอะไร กำหนดในรูปเหตุดูเหตุดูผลดูเหตุดูผลดูผลก็คือดูสภาพผลอย่างวิปัสนาด้วยดูเหตุก็คือดูที่เกิดที่มาของมันก็คือปฏิจจสมุปาองก่อนหน้านี้นั่นเองเป็นเหตุอันนี้ชื่อชื่อปฏิยสูตรต่อไปสูตรที่ ปรากฏในทศพลวัตที่สามทศพลนั้นเป็นชื่อของพลังยานสิบพละก็คือกําลังหมายถึงกําลังยานท้แปลว่าสิบทศพลนี้จึงแปลว่าพลังยานสิบแล้วก็โดยไนยนี้ก็เลยกลายเป็นชื่อขบุตรีเจ้าว่าพระทศพลพระทศพลก็คือพระผู้มีกําลังยานสิบ นี่เป็นชื่อสูตรทื่ว่าทศพลยานสูตรมีสองสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองอทั้งสองสูตรนี้กล่าวในเนื้อความเป็นอย่างเดียวกันว่าเหตุที่พระองค์ทรงปฏิยานว่าเป็นผู้มีกำลังยานสิบแล้วก็มีจตุเวสารชยานคือยานที่ทำให้แก้วกล้าก็เพราะว่าทรงบรรลุตัรลุปฏิจจสมุปบาทอย่างสมบูรณ์ คือเป็นตระอาาราันแล้วด้วยการกำหนดรูปปฏิจจา้ะก็รื้อถอนปฏิจจสมบัติออกโดยไม่มีส่วนเหลือสูตรต่อไปอุ ป, ปนิสสาสูตรอุ ป, ปนิสสารแปลว่าที่อิงอาศัยสูตรนีนะ้มีความยาวพิสดานมากเราคงจะพอจำได้ว่าได้เคยพูดมาแล้วว่า ที่ว่าเองอาศัยเนี่ยคือทรงตั้งอาสวัคยายานขึ้นว่าอาสวัคยายานคือยานละกิเลสละอาสวะทั้งหมดคือเป็นอรหันเนี่ยเป็นได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรเป็นเหตุใกล้ก็ทรงแสดงด้วยลำดับของเหตุว่าเป็นด้วยอํานาจของขยายานขยายานหมายถึงยานเห็นความดับก็คือ อรหันตมัคจิตอรหันตมัคคิตที่บรรลุทำความดับกิเลสให้เกิดขึ้นบรรลุความบรบรลุอริยสัจเป็นหัแรกจึงทําให้คู้นั้นได้เป็นพระขีน่นาศสิ้นอาสวะทั้งหมดเนี่ยก็ทรงอธิบายถ้อยถ้ อ, อยไปจนกระทั่งถึงไปถึงขั้นการฟังธรรมการสดับกลับฟังธรรมความศรัทธาในธรรมที่สดับจับฟัง เป็นที่มาในเบื้องตน้นของความเป็นอารหาันต์มันมีอยู่ในระสูตรที่เราได้เคยพูดกันแล้วเหมือนจะไม่นานนักนะครับแล้วรู้สึกว่าผมจะได้อธิบายสูตรนี้ค่อนข้างจะพิสดารด้วยต่อไปอั ญ, ญะติถสูตรอัญญะนี่แปลว่าภายนอกติถติยะนี่แปลว่าเดลถีก็คือเดลถีภายนอก ที่สูตรนี้ชื่ออย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าอา่าการแสดงธรรมสูตรนี้แสดงแก่พวกปริพาชกเดลทีเรื่องที่แสดงนั้นก็คือเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์มีอะไรบ้างก็มีความคิดอยู่สี่ความคิดทุกข์เกิดจากพระเจ้าผู้สร้างทุกข์เกิดจากเราทําเองทุกข์เกิดจากทั้งสองอย่างทั้งเราทําทั้งผู้อื่นทําแล้วก็ทุกข์เกิดโดยบงังเอิญ คำตอบที่ได้ก็คือทุกเกิดจากปัจสนี่เป็นคำตอบในพุทธศาสนาสูตรต่อไปภูมิชาสูตรภูมิชาสูตรเป็นชื่อของพระเถระที่ชื่อภูมิชาข้อนี้ก็เนื้อหานั้นสุขกับทุกข์ทั้งสองอย่างสุขกับทุกเกิดจากอะไรคำตอบในสูตรนี้ก็บอกว่าสุขและทุกเกิดจากปัจสั เพราะว่าสุกระสุนี้ก็เป็นเวทนาเวทนามีผัจสาะเป็นปัจจัยนั่นเองครับไม่ได้เกิดไอเหตุปัจจัยอย่างอื่นเป็นเหตุไกลออกไปบ้างแต่ว่าในทางปฏิบัติทางกำหนดรู้อย่างเฉพาะหน้าอย่างการปฏิบัติเนี่ยเกิดจากภัจจาะสูตรถัดไปชื่อว่าอุปวานาสูตรก็แสดงโปรดพรา อ, อุปวานะอุปวานะเป็นชื่อของพระเถระรูปหนึ่ง เป็นเรื่องทุกสี่อย่างเหมือนกันสนทนากันในเรื่องนี้ก็เกิดจากภาษาเป็นปัจจัยเช่นเดียวกันครับคือบางสูตรเนี่ยเขาก็เอาทั้งสุขทั้งทุกข์บางสูตรก็พูดเฉพาะทุกข์สูตรต่อไปชื่อปจัจจยสูตรอีกแล้วแปลว่าเรื่องปัจจัยอ่าสูตรนี้เป็นการแสดงปฏิจจสมุปบาททั้งโดยการแสดงองค์อย่างย่อ และนิยามองค์อย่างพิสดารปฏิจจามีสิบสององแต่และองค์หมายความว่าอย่างไรสูตรนี้แสดงอย่างนี้ก็คือบางสูตรนีเนื้อหาก็ซ้ำกันนะครับต่างกันที่คนฟังสูตรต่อไปพิกคูสูตรแปลว่าเรื่องภิกษุในสูตรนี้ กล่าวถึงความเป็นภิกษุว่าภิกษุที่เป็นอริยสงฆ์เนี่ยจะต้องเป็นด้วยความรู้ปฏิจจสมุปบาทในรูปของอริยรรสัจสีคืออย่างที่ว่าครับว่าแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยต้องรู้ครบรอบสี่ว่ารู้ปัจจารู้เหตุเกิดปัจจารู้ความดับปัจจารู้ปฏิปทาถึงความดับปัจจาสูตร อีกสองสูตรที่เหลือชื่อสมณะรามณะสูตรสูตรหนึ่งกับสูตรสองเนื้อหาก็เกือบจะคล้ายๆกันแหะครับเป็นแต่เพียงว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยที่พูดถึงว่าคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นธรมณะพรามที่ในพุทธศาสนาหมายถึงพระอาหารหันต์เป็นพรามเป็นสมณะเนี่ยหมายถึงเป็นพระอาหารหันต์ต้องรูปปรร้ปฏิจจสมุปบาทในรูปสัจจะสี่ สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองก็เหมือนกันนะครับเป็นสมณะและพรามณต้องรู้อริยสัจสี่จากปฏิจจสมุปบาทสิบสองเนี่ยครับแต่มีข้อความว่าต้องพ้นจากอพ้นจากปฏิจจาด้วยคือเรารู้อย่างว่ารู้อวิชชาเนี่ยต้องรู้อย่างพ้นจากอาวิชชาเรียกว่ารู้แล้วละรู้แล้วถอนเพราะอาวิชชาเป็นสิ่งพึงละพึงถอนตรงกันข้ามกับรู้ที่ผ่าน นิพพานเนี่ยรู้แล้วต้องเข้าถึงทั้งสิ่งน่าปรารถนาสิ่งไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งควรรู้ทั้งคู่และการที่บุคคลจะพ้นจากสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาถึงสิ่งน่าปรารถนาจะต้องพ้นได้ด้ยวยความรู้เพราะถ้ารู้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดการละรู้อย่างทางศาสนาเหล่านี้นะครับ การละจึงต้องใช้กำลังความรู้อย่างสูงไม่ใช้ความรู้ไม่ได้เลยต่อไปวักที่สี่เราจะคงจะพูดกันได้สักสี่วักนะที่เหลือนั่นก็คราวหน้าอาจจะเข้าเนื้อหาโดยสรุปเลยก็ได้กาลาละขัตติยะวักเป็นวักที่ ตั้งชื่อจากสูตรที่สองครับเอาสูตรที่สองมาตั้งเป็นชื่อวัดกลาลาคัติยะเนี่ยเป็นชื่อของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่ากล า, าลาคัติยะเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นพวกที่มีฟันสีดำๆแ ด, ด, ดงๆเลยเรียกกลาลาตามอัลกถาว่า ก็ เ, เลไม่รู้ว่าดําแดงทานาทายังไงมาถึงฟันดําแดงในวรรคนี้มีสิทธิ์สูตรที่หนึ่งภูตามิทะภูตามิธาเนี่แปลว่าขันที่ปรากฏ ข, นกฏขันที่ปรากฏหมายถึงท่านกําลังพูดถึงนามรูปโดยเรียกว่าขันว่าขันที่ปรากฏนี้น่ะ มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็เราจะละขันได้ด้วยอย่างไรท่านก็แสดงเชื่อมเข้าไปหาเรียสตัตว์สีแสดงเชื่อมเข้าไปในรูปของปฏิจจสมุปบาทสูตรนี้ก็เป็นสูตรลึกซึ้งน่าฟังน่าศึกษาที่เราได้เคยพูดมาแล้วสำหรับสูตรที่ชื่อว่ากลาลักติยะก็ แ, แสดงโปรดท่านกลาลักติยะเนี่ยครับกล่าวถึงเรื่อง ปฏิจจสมุปบาทแตไ่ไม่ไม่ครบองค์นะ <c oughs> คือท่านแสดงจับตั้งแต่ชาติไปจนถึงเวทนาสามเป็นการแสดงปฏิจจะอย่างไม่ครบองค์เพราะว่าปฏิจจะเนี่ยบางสูตรท่านก็แสดงแบบปฏิจจะล้วนๆครบองค์ทั้งขาไปขากลับทั้งสายดับสายเกิดบางแห่งก็แสดงอย่างครบองค์แล้วก็บวกกับหมวชธรรมบวชอื่น คือบวกกระขันบวกกับอาหารสี่บวกกับอริยสัจสี่บางสูตรก็แสดงไม่ครบองค์แสดงสั้นๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติของผู้ฟังในขณะนั้นสูตรต่อไปยานวัตถุสูตรคือสูตรหนึ่งกับสูตรสองอในสองสูตรนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าในขณะที่คนปฏิบัติ วิปัสนากรรมฐานโดยการกำหนดรู้ปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่มีการรับรู้ใดที่ไม่ต้องใช้ญาณปัญญาถือปัญญาปัญญาหมดหมุดว่าเรารู้รู้อ่ารู้ชาติยกตัวอย่างรู้ชาติแล้วก็รู้ว่าชาติเป็นอย่างไรนี่เป็นญาณแล้วชาติเกิดจากอะไรเป็นญาณแล้วก็ชาติ ด, ดับ ด้วยอะไรเป็นยานหมดแล้วก็รู้วันแม้ในอดีตคนจะดับชาติได้ก็โดยอาการอย่างนี้แม้อนาคตจะดับชาติก็โดยอาการอย่างนี้แลจะลูบไปหมดเลยท่านก็ถือว่าการเคลื่อนไหวของจิตไปในมิติต่างๆของปฏิจจาตะละองเนี่ยเป็นภูมิปัญญาทั้งนั้นบัญญัติได้ว่าเป็นยานทั้งนั้นเหมือนกับเรา เราทำบุญเนี่ยทำบุญใส่บาตรว่าเราเตรียมอาหารหุงอาหารเป็นบุญเราเอาของบรรจุถุงบรรจุอาชนะเป็นบุญเรายกขึ้นจบเป็นบุญเป็นบุญหมดเวลาที่เราเราเรียนธรรมฟังเรื่องใดๆก็เป็นปัญญาเป็นสุตตามิยะปัญญาเป็นบุญหมด หมดนี่มันก็ถ้าเราไม่มีจิตอื่นเข้ามาแทรกนะก็จะเป็นบุญหมดแต่อีกบุญอย่างเนี้ยมันเป็นบุญที่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างในแง่ข้อจจริงทีก็หลุดบางทีก็ก็ไม่หลุดแม้ทำวิปัสนาในขั้นต้นๆบางทีก็เป็นสติบ้างไม่เป็นสติบ้างเป็นญาณมั่งไม่เป็นญาณมั่งแต่คนที่บรรลุขั้นโลกุตัละมั่งในปฏิจจคขั้นโลกุตัลามั่งเป็นบุญเป็นปัญญาหมด จิตเคลื่อนหรือวิัสาานาญาณถูกเนี่ยเคลื่อนไปทางไหนเนี่ยปัญญาหมดสติหมดสัมผัสชั้นแหมดถ้าลองไม่มีสติไม่สัมผัชั้นแแล้วก็จับลึกไม่ได้ท่านถึงใส่ให้ให้เห็นว่าเมื่อกําหนดปฏิจจะตรงมุมนี้เป็นปัญญาอันหนึ่งเป็นญาณวัตถุอันหนึ่งจับตรงมุมนี้เป็นญาณวัตถุอันหนึ่งเป็นัญาวัตถุอันหนึ่ง การเห็นอนิจจังก็เป็นยานอันหนึ่งการเห็นทุกขังเป็นญาณอันหนึ่งเห็นอนัตตาเป็นญานอันหนึ่ง เ, น, น, าาเ น, น, น, นี่ยการกําหนดการละกิเลสออกจากใจเป็นญานอีกเพราะว่าก็ถึงเรียกบารานาปริญยาเป็นเป็นญานอันหนึ่งคือคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสมันหลุดเนี่ยมันรู้นะ่ะ มันรู้เลยรู้แล้วมันจำเป็นต้องรู้โดยรู้กิเลสหลูกถูกไม่ถูกมันจะห ล, ลุดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวงี้ไม่มีมันจะหลุดโดยรู้ก็กพเพียงแต่ว่ากิกเลสเรามันเยอะมันอาจจะไม่ได้โผล่ขมาไม่รู้มันจะแต่ว่าที่หลักก็คือว่ากิเลสสาคัญเหมือนเป็นเป็นผู้แทนของกิเลสระดับนั้นๆตัวนั้นๆมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วแปลว่าทาร่าตรงนี้ได้ ล, ละล่าหมดมันเหมือนกับว่าเราออ่ เครียดแค้นใครอยู่คนหนึ่งแต่แล้วเราก็ไอคนที่เราเราไม่ชอบอาจจะมีมักงมายหลายเรื่อง น, นะแต่มันจะมีไอตัวหลักออกมาตัวเออพอถอนตรงนี้ได้อันอื่นหายเลยหายหมดเป็นแถวเวลาละกิเลสเนี่ยละอย่างนี้จากสูตรนั้นก็ไปถึงสูตรที่ชื่อว่าอวิชาปัจจยาซึ่งก็มีสองสูตรเหมือนกัน ก่อนที่จะจะเลยไปถึงสองสูตรถัสร์มาเนี่ยนะครับยาณวัตถุสูตรสูตรแรกเมื่อกี้นะครับเป็นปัญญาทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดคูณสี่สี่สิบสี่ยาณวัตถุสูตรสองสิบเอ็ดคูณเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดคือคนที่รู้ปฏิจจสมุปบาท อย่างสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยจะต้องรู้ด้วยกำลังญาณเจ็ดสิบเจ็ดหน่วยได้ปัญญาเจ็ดสิบเจ็ดหน่วยสามสูตรเ อ, อสองสูตรนะถัดไปเนี่ยนะที่ชื่อว่าวิชาปัจจะยะตรงนี้แสดงปฏิจจสมุปบาทโดยในยะของทิฏฐิสองอย่างคล้ายๆกับกัดจานาสูตร คือคนที่ปล่อยให้ปฏิจจสมุปบาทมันทางานของมันโดยปกติเนี่ยมันก็สร้างทิฏฐิสองอย่างให้เกิดขึ้นและคนที่กำหนดรู้ปฏิจจสมุปบาทดับปฏิจจสมุปบาทก็ถอนทิฏฐิสองอย่างออกจากสันดานด้วยเป็นของไปด้วยกันทิฏฐิสองอย่างก็คือเห็นว่าศูนย์กับเห็นว่าเที่ยงนะครับ คามจริงเราเนี่ยเรามีทั้งสองอย่างนี้ทุกคนนหละเพียงแต่ว่าไอ้ตัวไหนจะออกหน้าให้เป็นลักษณะเด่นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหัวใจเรามันปรากฏปะปนกันอยู่สองอย่างเวลาเราบอกคนนี้เป็นอุดเคธะก็พูดเฉพาะในการบางาังคลาเพราะผู้ทุชนเนี่ยเป็นพวกขัดแย้งกันเองความคิดอะไรต่อะไรเนี่ยมันจะขัดแย้งกันเองทั้งโดยสํานึกแล้วก็โดยไม่รู้สํานึกจากนั้นก็ไปดูสูตรถัดไป 4.7 นะณนะตุมาสูตรหรือณตุมาสูตรเนี่ยตามชื่อสูตรแปลว่าไม่ใช่ของเราตรงนี้เป็นการเริ่มกล่าวถึงประจิตใจสมุบาทได้การพูดถึงกายตั้งกัะหัวจุดเท้ากายหมายถึงทั้งกายและใจโดยตรัสว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของผู้อื่น สิ่งใดไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดถือสิ่งนั้นแล้วก็ทรงแสดงโยงเข้าไปหาปฏิจจสมุปบาทว่าทาไมไม่ใช่ของเราและทาไมไม่ควรยึดถือเป็นสูตรที่ดีมากอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้สูตรถัดไปอีกสองสูตรสามสูตรครับต่อเนื่องกันนี่เป็นการแสดงเจตนาที่ชื่อว่าเจตนาสูตร ก็เป็นการกล่าวถึงปฏิจจะแบบไม่ครบองค์แทนที่จะพูดตั้งแต่อวิชชาก็ไม่ได้พูดอวิชชาแต่พูดถึงสังขารเลยแต่สังขารที่ท่านพูดท่านเรียกเจตนาก็เป็นสูตรที่ยืนยันชนัดเจนว่าสังขารต้องหมายถึงเจตนาเท่านั้นเจตนาที่เป็นตวกกรรั ว, นนนตวกรรมว่าเจตนาเนี่เป็นตัวกรรมแล้วก็เจตนานี่แหละที่ทำให้เกิดวิญญาณ แต่ในสูตรนี้บอกว่าเจตนาบวกกับอารมณ์คือคนที่จะมีเจตนานะก็จะมีอารมณ์มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์พนวกกันแล้วก็ทำให้เกิดวิญญาณคือการรับรู้ขึ้นแล้วก็เมื่อมีวิญญาณก็มีปฏิจจองค์อื่นทำงานสืกต่อสามสูตรนี้เป็นสามสูตรที่เข้าใจยากและซับซ้อนแต่ได้ทำเอกสารช่วยไว้ในในตัวเอกสารแล้วเนี่ยนะแต่ว่าในในตัวตัว เพราะสูตรที่แจกไปแต่ก็นานๆเข้าก็อาจจะลืมเช่นเดียวกันเพราะว่ามันทับซอนยาก เ, าเราพูดกันจบเพียงเท่านี้ครับสาหรับบทสรุปครางนี้เคราวหน้าอาจจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อธิบายตัวนี้ต่อนะให้ให้ไปอ่านอาไล่ไว้ว่าสูตรมันมีอะไรบ้างแล้วคราวหน้าจะสรุปเนื้อหาเนื้อหาเราจะอธิบายจับลึก ในบางจุกเป็นการเน้นเป็นพิเศษ